เารินพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่แปเมษายนพุทธศักราชส5 5พเป็นวันหยุดชดเชยวันจกักรีเป็นวันแถนสำหรับญาติโยมผู้ที่ ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลได้วันแถงให้มาได้ทําบุญอีกหนึ่งวันการได้ทําบุญจะทําให้เรามีความสุขเพราะความสุขนั้นเกิดจากการคิดการพูดการกระทําที่ดีความสุขไม่ได้เกิดที่ว่ามีทรัพย์มากหรือน้อย มีตำแหน่งสูงหรือต่ำมีบริษัทบริวามากหรือน้อยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของใจอยู่ที่การพูดและการกระทำถ้าใจคิดดีก็จะพูดดีทำดี ก็จะมีความสุขใจถ้าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะมีความทุกข์ใจตามมาความสุขที่สาคัญความสุขแท้อยู่ที่ใจของเราคือความสุขใจความทุกข์แท้ก็คือความทุกข์ที่ใจของเราความสุขความทุกข์ของร่างกาย ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเป็นส่วนย่อยส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เพราะพุทธเจ้าจึง ส, สอนให้คิดดีเพื่อจะได้มีความสุขใจไม่ให้คิดร้ายเพราะจะได้ไม่ทำให้ใจมีความทุกข์ ถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีถ้าคิดร้ายก็จะพูดร้ายทำร้ายเมื่อทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาต่อไปผลนี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันผลอันแรกก็คือผลที่เกิดภายในใจถ้าคิดดีใจก็มีความสุขแล้วพอ คิดดีแล้วก็จะพูดดีทำดีก็จะเกิดผลดีตามมาเพราะผู้ที่พูดดีทำดีย่อมเป็นที่รักของผูเ้เป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้นในทางตงกลงขั้นถ้าคิดไม่ดีคิดร้ายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แล้วก็จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีพอพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเกิดผลเสียหายต่างมาจะเกิดมีการจับไปลบโทษได้ถ้าไปทำร้ายพูดถ้าไปพูดกล่าวหาไปทำร้ายพูดก็จะถูกผู้อื่นเขาตอบโต ด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจและไม่มีปัญหาต่างๆตามมาเราก็ต้องพยายามคิดดีพูดดีทำดีอย่าคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายการที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายได้ เราจาเป็นจะต้องมีพรมวิหารสีมีคุณธรรมสีประการที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพรมนะก็คือ 1. ให้มีความเมตตา 2. ให้มีความกรุณา 3. ให้มีมุนิตาและ 4. ให้มีอุเบกขา ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการอยู่ภายในใจแล้วใจของเราจะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายดังนั้นเราควรเจริญพรหมลิหารนี้อย่างสม่รเสมออย่างต่อเนื่องการเจริญพรหมลิหารนี้ก็มีอยู่สองลักษณะ คือการเจริญแบบเป็นการทําการบ้านไปก่อนและ 2. การเจริญจริงๆเหมือนกับเวลาที่เราเข้าห้องสอบการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบเราก็ต้องทําการบ้านไปก่อนต้องดูหนังสือต้องเตรียมตัวไว้ก่อน พอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราจะได้ทําข้อสอบได้เราจะได้สอบผ่านการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะแผ่เมตตาได้เราก็ต้องทําการบ้านก่อนเราต้องซ้อก่อนเช่นเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็สวดบทแผ่เมตตาสับเบสัตตาอเวราหุนตุ ก็แปลว่าขอให้เราจงอย่ามีเวรกับสัตว์ทั้งหลายเถิดสัพเพสัตสตาอปปชาอปปยาชาัาอปยาชฌตาโหตุขอให้เราจงอย่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเถิดสุขีอั ต, ตานังปะไรหะวันตุขอให้เรามีความปรารถนาดีให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิด นี่คือเป็นการทำการบ้างไปก่อนเวลาที่เราอยู่ตามลำพังเรามีเวลาว่าเราไม่รู้จะทิดอะไรดีแทนที่เราจะไปนั่งดูทีวีหรือไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราควรจะฝึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆความเมตตก็คือ ให้เราไม่จองเวรพูดเวลาผููดเขาทำร้ายเราหรือทำอะไรให้เกิดความเสียหายเราจะไม่จองเวรจะให้อภัยเพราะถ้าเราจองเวรจะทำให้ใจเรานั้นมีความรู้สึ้อนมีความทุกข์แล้วเราจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแล้วก็จะเกิดผลเสียหายตามมา แต่ถ้าเราให้เอาภายได้ถือว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ทำก็เกิดขึ้นแล้วไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่เราไม่ควรที่จะทำให้มันเลวร้วายยิ่งกว่านี้ด้วยการไปคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นเพราะจะเป็นเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียว ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปให้อภัยกันคิดว่าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันก็อาจจะมีการผิดพลาดมีการขบกันได้เวลาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันมีปัญหาต่อกันได้แต่เราสามารถควบคุมปัญหาไม่ให้บานปลายได้ ถ้าเรารู้จักการให้อภัยเขาทาร้ายเราแล้ ว, ลวเขาพูดไม่ดีแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเรามาทำใจดีกว่าทำใจเราให้เย็นให้สบายด้วยการให้อภัยคิดว่าเป็นการทำบุญใส่บาปการให้อภัยนี้ก็เป็นเหมือนกับการทาบุญใส่บาป ค, คือเราให้คน ที่เขาทําร้ายเรานั้นไม่เดือดร้อนให้เขามีความสุขคือเราจะไม่ไปทําร้ายเขานั่นเองแล้วเมื่อเราไม่คิดไปทําร้ายเขาใจของเราก็จะเย็นจะสบายไม่รุ่มรอ้อนแต่ถ้าเราคิดจะทําร้ายเขานี้ใจของเราจะรุ่มรอ้อนและเมื่อไปทําร้ายเขาแล้วก็กะ ความรุ่มร้อนของใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเราจะต้องระมัดระวังระวาดหวาดระแวงว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราห น, นี่คือการการฝึกแผ่เมตตา<ม>ก็คือเราต้องพิจารณาถึงการไม่จองเวรคิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคิดถึงความเสียหาย ที่เราระ ง, งับไว้ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดขึ้นได้เช่นถ้าเราโกรธแค้นใครแล้วเราไปทําร้ายเข า, เขาเขาก็ต้องโกรธแค้นเรากลับมาทําร้ายเราหรือถ้าไม่เช่นนั้นเขาถ้าเขาแจ้งความได้ดําเนินคดีกับเราได้เขาก็จะแจ้งความดําเนินคดีเราก็ต้องเสียเวลากับการขึ้นโรงขึ้นศาล ไปแก้คดีและเมื่อแก้ไม่ได้แพ้คดีก็ต้องถูกลงโทษเองเพียงแต่เราอยู่เฉยๆไม่ตอบโต้เท่านั้นปัญหาต่างๆที่เลวร้วายก็จะไม่ตามมาไม่ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่ฝึกทำการบ้านนี้ก่อนไม่พิจารณาไว้ก่อนถึงผลเสียหายต่างๆที่จะตามมา ถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้ถ้าเราระงับความโกรธระงับความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่ได้ผลเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาไปพบกับเหตุการณ์ถูกคนเข้า พูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราเราจะได้ไม่ตอบโต้เราเราจะได้ให้อาภาัยได้เพราะการให้อาภาัยนี้เป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าเราจะรักษาความสงบความเย็นของใจของเราได้ถ้าเราให้อาภาัยไม่ได้เราก็จะปล่อยให้ไฟ ความนุ่มร้อนเผาใจเราซึ่งก็เป็นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนั่นเองและจะนุ่มร้อนเพิ่มมากขึ้นเมื่อไปทำร้ายเขาเราจะต้องมีปัญหาตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาที่เราควรจะฝึกทำกันอยู่เรื่อยๆ ในกรณีที่ไม่มีใครทําร้ายเราไม่พูดร้ายต่อเราท่านก็สอนให้เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเวลาพบปะกับผู้อื่นส่งความสุขให้กับเขาอย่าส่งความทุกข์ให้กับเขาด้วยการพูดไม่ดีด้วยการกระทำไม่ดีเช่นมีกิริยาอาการไม่ดีควรจะมีกิริยาการที่ดี เช่นยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายทักทายปราใสกันได้ถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็เฉยๆไปแต่อย่าหน้าเบื่องหน้างอใสผู้อื่นเพราะอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่แผ่ความไม่เมตตาต่อผู้อื่นผู้อื่นเห็นเราหน้าเบื่อตึงเขาก็ไม่สบายใจนะแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ถึงแม้เราจะไม่สบายใจมีอารมณ์ไม่ดีแต่เวลาเราพบปะกับผู้คนทั้งหลายควรที่จะควบคุมกิริยาอาการของเราไว้อย่าปล่อยกิริยาอาการที่ไม่สวยงามออกมาเพราะว่าเป็นการไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาทั้งหมดถ้าเราสามารถควบคุมอาการกิริย า, าที่ไม่ดีได้และ สามารถแผ่เมตตาคือมีแสดงกิริยาอาการที่ดีต่อผู้อื่นได้ผู้อื่นเขาก็จะมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะไม่คิดร้ายต่อเราไม่ทําร้ายเรานี่คืออนิสงของการแผ่เมตตาผู้ที่แผ่เมตตานี้ท่านบอกว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลาย จะตื่นก็มีความสุขนอนหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายและถ้าถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปสู่สุขติได้ไปเกิดบนสวรรค์นี่คือาอนิสงของการแผ่เมตตาที่เราควรที่จะหมั่นทำการบ้านกันไว้ก่อน เพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนก็เหมือนกับนักเรียนที่ไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือพอเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้อยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆถึงอนิสง์ของการแผ่เมตตาถึงผลประโยชน์ของการแผ่เมตตาถึงการที่จะป้องกัน ไม่ให้สิ่งความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นตามมาถ้าแผ่เมตตาได้พอเวลาที่เราเข้าห้องสอบเวลาไปเจอคนที่เขาพูดไม่ดีทงไม่ดีเราจะได้ไม่โกรธเขาเราจะได้ให้อภัยเขาได้เราจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับเขานี่คือเรื่องของการมีความเมตตา ถ้าเรามีเมตตาอยู่ในใจแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีผลดีต่างๆก็จะตามมาใจของเราก็มีความเย็นมีความสุขมีความสบายข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างขึ้นมาก็คือความกรุณาความกรุณาก็แปลว่าความสงสาร เวลาที่เราเห็นผู้อื่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราควรที่จะแผ่ความกัมมนาคือให้ความสงสารแก่เขาอย่าไปสมน้ำหน้าเวลาที่เห็นผู้อเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนควรที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เขาเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อนนี้ จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพราะเป็นการทำบุญนั่นเองอย่างที่วันนี้ท่านทั้งหลายมานำอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายกับพระเพราะเพราะว่าท่านมีความสงสารเห็นพระอยู่ยากลำบากถ้าไม่มีผู้มีจิตกรุณา นำอาหารเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระพระก็จะอยู่อย่างลำบากอัตคัดกัดสงและอาจจะไม่สามารถอยู่เป็นพระต่อไปได้เพราะถ้าไม่มีผู้ที่มาให้สนัสนบสนุนก็จำเป็นจะต้องออกไปทำมาหากินการจะไปทำมาหากินก็ต้องลาสิขาไปก่อนแต่ถ้าเรา มาให้ความสงสารมาช่วยเหลือพระภิกษุให้ท่านได้มีปัจจัยสี่อยู่อย่างพอเพียงเราก็จะสนับสนุนให้ท่านได้อยู่ในบรวรของพระพุทธศาสนาให้ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้ท่านได้ปฏิบัติทำจนได้บรรลุ เป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆได้เป็นอริยสงฆ์เป็นผู้เป็นสังฆราตระตนะเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปถ้าไม่มีการสนับสนุนให้พาคภกษุได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา พวกเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเราจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่สอนเราให้รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนดูแลไม่ให้เราไปมีปัญหาต่างๆไม่ให้ไปรับไม่ให้ไปสร้างความเสียหายต่างๆ นะไปรับโทษของการกระทาสิ่งที่เสียหายต่างๆนี่ก็คือกับความสงสารคือให้เราช่วยเหลือผู้อื่นถ้าอยู่ภายในวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เราก็ต้องทาใจเราก็ต้องใช้อุบเบกขาคำ ว, ว่าอุบเบกขานี่ก็แปลว่า ทำใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราอย่าไปเสียใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรการเสียใจของเรานี้กลับจะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆบางครั้งเราต้องพบกับเหตุการณ์ที่มันอยู่เหนือวิสัยของเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายได้จะต้องตายไปอย่างนี้ถ้าเราไปวุ่นวายไปเดือดร้อนไปอยากจะช่วยให้เขาไม่ตายนี้เราก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องรู้จักเจริญอุเบกขาก็คือทำใจของเรา ให้เฉยๆให้ยอมรับสภาพของความเป็นจริงคือให้โปร่งว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทํากรรมนันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อมาเกิดแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไปเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือไม่ให้เขาแก่ได้ไม่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่ให้เขาตายได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาที่เราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารัก บุคคลที่เราเคารพถ้าเราไม่รู้จักทำใจเวลานั้นเราจะเศร้าโศกเสียใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ที่จะตายเขาเขาจะต้องตายไปตามเวลาของเขาความเศร้าโศกเสียใจของเราไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแต่เป็นโทษกับเราทําให้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติแต่ถ้าเรา คอยเจริญอุเบกขาอยู่เรื่อยๆเพราะถึงเวลาที่เราต้องทำใจเราก็จะทำใจได้ส่วนข้อที่สารที่เราควรจะเจริญก็คือมุติตาคาว่ามุติตาก็คือความยินดีในความสุขและความเจริญของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารัก นั้นเรายินดีได้ง่ายเวลาคนที่เราล้างเช่นลูกของเราได้เรียนจบได้คะแนนดีอย่างนี้เราก็ยินดีกับเขาดีอกดีใจกับเขาแต่สิ่งที่ยากที่จะทําก็คือคนที่เราเกลียเวลาเขาได้ดิบได้ดีนี้เราจะทําใจมีความชื่นชมยินดีกับเขายาก แต่ถ้าเราทำได้เราก็จะมีความสุขเราจะไม่มีความอิจฉาหรือสยาเราจะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะโดยธรรมชาติของคนที่ยังมีกิเลสนี้จะไม่ชอบให้คนที่เราเกลียดได้ดิบได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญเมื่อเรามีความคิดอย่างนี้ ใจของเราก็จะมีความทุ ก, ทกครั้งที่คนเราเกลียดคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบเขาได้ดิบได้ดีแต่ถ้าเรารู้จักทาใจมีอุเบกขาเราก็พิจารณาว่าเขาจะดีหรือเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ถ้าเราแพดพุธมุนีตาไม่ได้ ชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของเขาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาแทนกัแล้วกันอย่าไปอิจฉาริษยาเพราะอาจจะทาให้เราต้องไปทาในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปกีดกันไปขัดขวางความสุขและความเจริญของผู้อื่นและเมื่อเราไปทาอย่างนั้นก็จะมีการตอบโต้กลับมา เขาก็จะมากีดกันขัดขวางการเจริญของเราได้แต่ถ้าเราไม่ไปทําอะไรเราก็จะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมเขาก็จะไม่มากีดกันขัดขวางความเจริญของเราดังนั้นการที่เรามีมูลิตาจิตที่ประโยชน์ที่แท้จริงนั้นเกิดกับตัวเราเองเพราะเราไม่ไปสร้างปัญหาไม่ไปสร้างความเกลียดขับ เกลียดความโกรธให้แก่ผู้มาโกรธมาเกียดเรานั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรไปพูดอะไรที่เสียหายเราไม่ได้ไปกีดกันไม่ไปขวางกัน้นความสุขความเจริญของผู้อื<ม>่นเรายอมรับแบบนักกีฬาว่าการเล่นกีฬาก็ต้องมีการแพ้มีการชนะเป็นธรรมดาผู้แพ้ต้องมีความยินดีต่อความชนะของของผู้ชนะ เพราะถ้าเราแพ้แล้วเราไม่ยินดีเราโกรธนี้เราก็จะเป็นไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ด<ม>ชีชีวิตของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนนักกีฬาเรามีคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลาและเรามักจะไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคู่แข่งขันถ้าเราไม่มีมุดีตาจิตถ้าเราไม่มีอุเบกขา เวลาเราเห็นผู้อื่นเขาได้ดิดได้ดีเราก็จะโกรธเราก็จะเกิดความอิจฉาลิสยาและเราก็จะไปพยายามหาวิธีทำให้เขาไม่ได้เจริญก้าวหน้าไม่ได้มีความสุขอย่างนี้ก็เท่ากับการไปสร้างเวทสร้างกรรมเท่ากับการไม่แผ่เมตตาเท่ากับการไม่มีความ การุณาความสงสารแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหาตามมาไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้เฉยๆได้เป็นอุเบกขาถ้าเราไม่สามารถแผ่เมตตาได้ไม่สามารถแผ่ความการุณาได้ไม่สามารถแผ่บุติตาได้ก็ขอให้เราแผ่อุเบกขาไป คือทำใจให้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างน้อยก็จะไม่มีปัญหาตามมาถึงแม้จะไม่ได้บุญคือไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้แผ่ความกรุณาไม่ได้แผ่เมิตาอย่างน้อยเราก็จะไม่ได้บาปเพราะเราจะไม่ไปคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแก่ผูอ้อื่นนั่นเองนี่คือวิธีที่จะ รักษาใจของเราให้คิดดีให้พูดดีทาดีได้ไม่ให้คิดร้ายพูดร้ายทาร้ายได้ถ้าเราหมัน่นเจริญบรมวิหารสี่นี้อย่างสม่ำเสมอทุกเวลานาทีไม่จำเป็นจะต้องรอเวลาที่เราไหว้พระสวนหน่งเวลาใดที่เรามีเวลาว่างก็ขอให้เราทำการบ้างขอให้เราฝึกแผ่ เมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องแผ่เราจะสามารถทําได้อย่างง่ายดายเพราะการกระทําอะไรที่จะทําให้มันง่ายดายนั้น mm hmm. ก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมนั่นเองถ้าเราฝึกฝนอบรมซ้อมอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆก็จะฝังอยู่เป็นนิสัยไป พอจะเวลาที่จะต้องทําก็จะทําได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เ, เมื่อเราแพ่เมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญมีแต่มิตรมีแต่สายจะไม่มีสัพเพิจะไม่มีเวไม่มีกรรมกับใครจรึงขอฝ่าเรื่องของการมา เจริญพรวิหารสี่คือเมตตากรรญามุนิตาอุเบกขานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล